ชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นเป็นพระหรือเป็นคาลวานเป็นคนจนหรือเป็นคนรวยเป็นชาว ชาวอะไรก็ตามจะเป็นชาวไทยชาวจีนชาวฝรั่งมีสิ่งที่เหมือนกันคือส่วนประกอบของชีวิตของพวกเรานี่มีอยู่สองอย่างด้วยกันเหมือนกันหมดทุกคนคือมีร่างกายกับจิตใจ การที่เราจะมีความสุขความสบายปราศจากความทุกข์ต่างๆทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเราก็ต้องมีสิ่งที่มาดูแลรักษาให้ร่างกายและจิตใจ อยู่อย่างมีความล่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆสิ่งที่จะดูแลความสุขความสบายทางร่างกายคืออะไรก็คือปัจจัยสี่นั่นเองปัจจัยสีที่เราต้องมี สำหรับให้ร่างกายอยู่อย่างปกติสุขคือเราต้องมีหนึ่งอาหารให้ร่างกายได้รับประทานอย่างสม่ำเสมอสองต้องมีเครื่องนึ่งหม่มเสื้อผ้าอาภรต่างๆสามต้องมีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝน หลบภัยต่างๆและสี่มียารักษาโรคไว้สำหรับรักษาเวลามีโรคโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนถ้าร่างกายมีปัจจัยสีครบบริบูรณ์ร่างกายก็จะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบาย อาจจะจากความทุกข์ต่างๆการที่ร่างกายเราจะมีปัจจัยสีได้เราก็ต้องหากันเพราะว่าปัจจัยสี่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้มากับร่างกายโดยอัตโนมัติเป็นสิ่งที่เราต้องหามา เลี้ยดูร่างกายกันการที่จะเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่อย่างไม่ทุกข์อย่างไม่วุ่นวายก็ต้องรู้จักประมาณคือรู้จักความพอดีรู้จักความจำเป็นของปัจจัยสี่แต่ละชนิดว่าจำเป็นจะต้องมีมากน้อยเพียงไร และจําเป็นจะต้องมีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรหรือไม่ถ้าเราไม่รู้จากประมาณไม่รู้จากความจําเป็นของปัจจัยสี่เราก็อาจจะต้องมาวุ่นวายเดือดร้อนกับการหาปัจจัยสี่แบบ เกินขอบเขตเกินเหตุเกินผลเกินความจําเป็นไปก็ได้เะนั้นการที่เราจะมีปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้เราอยู่อย่างสุขสบายไม่วุ่นวายใจเราก็ต้องรู้จักเหตุผลของปัจจัยสี่ว่ามีไว้ทำไมอาหาร ที่เราต้องรับประทานนี้ก็มีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายนั่นเองอาหารนี่แหละที่ทําให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตขึ้นมาและอยู่อย่างอิ่มนหนาสําราญใจอยู่อย่างไม่อดอยากขาดแคลนอยู่อย่างไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเราต้องมีอาหารไว้รับประทาน แต่อาหารนี้ถ้ารับประทานมากเกินไปก็อาจจะเกิดโทษกับร่างกายก็ได้หรือรับประทานน้อยเกินไปก็อาจจะเกิดโทษกับร่างกายได้เช่นเดียวกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารคือรับประทานอาหาร เพื่อเลี้ยงดูร่างกายไม่ใช่เพื่อทำลายร่างกายอาหารนี้เป็นได้ทั้งายาและเป็นทั้งเป็นได้ทั้งยาพิษอยู่ที่ว่าเรารับประทานมากน้อยเพียงไรถ้าเรารับประทานมากเกินไปเกินต่อความต้องการของร่างกาย ก็จะทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาได้ดังที่เราคงทราบกันสมัยนี้เราอยู่ในยุคที่หาอาหารได้ง่ายรับประทานกันได้มากอยากจะรับประทานกันเมื่อไหร่ก็รับประทานกันได้จนทำให้ร่างกายนี้มีน้ำหนักเกินความจำเป็นของร่างกาย คือมีความอ้วนเมื่อร่างกายมีน้ำหนักเกินมีความอ้วนก็ปรากฏโรคภัยต่างๆขึ้นมาจากการมีน้ำหนักมากเกินไปเช่นมีความดันมีไขมันอุดตันมีเบาหวานทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจโรคอัมพฤกอมักอมาพาต ทำให้เสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควรได้ฉันั้นการรับประทานอาหารก็ต้องรู้จัก ร, รับประทานพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้ควรจะรับประทานแบบมีเวลเวลารับประทานมีปริมาณเหมือนกับเวลาที่เรารับประทานยาการรับประทานยาเราก็รับประทาน ตามที่หมอกําหนดไว้อวันละกี่ครั้งกี่เม็ดเนี่ยเราจะไม่รับประทานเกินขนาดเกินความต้องการของร่างกายถ้าเรารับประทานอาหารแบบรับประทานยาออาหารก็จะเป็นยาไม่ใช่เป็นยาพิษแต่ถ้าเรารับประทานอาหารตามความอยากของเรา อยากรับประทานอะไรก็รับประทานไม่มีเวลาเวลาถ้ารับประทานความอยากแล้วมันจะรับประทานมากเกินไปเพราะความอยากมันไม่มีความพอนั่นเองรับประทานไปได้ไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวก็อยากจะรับประทานอีกอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังสำหรับการที่เราจะเลี้ยงดูร่างกาย ไห้อยู่อย่างปกติสุขด้วยอาหารและไม่มาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายให้กับเราทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเพราะว่าถ้าร่างกายไม่สบายขึ้นมาก็ทำให้ใจเราวุ่นวายทาให้ใจเราไม่มีความสุขได้ทาให้ใจเราทุกวิตกกังวลต่างๆอันนี้ เรื่องของการรับประทานอาหารมากเกินไปบางคนก็อาจจะกลัวว่าร่างกายจะอ้วนก็เลยพยายามไม่รับประทานมากก็อาจจะทานน้อยเกินไปถ้ารับประทานอาหารน้อยเกินไปร่างกายสู้ พ, พร้อมก็จะทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้เพราะขาดสารอาหารที่จำเป็นต่างๆ ที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายดัยงนั้นเรารับประทานน้อยเกินไปก็ไม่ดีรับประทานมากเกินไปก็ไม่ดีต้องรับรับประทานพอประมาณเหมือนกับการรับประทานยาเราจึงควรที่จะรู้ว่าเราควรจะรับประทานวันละมากวันละมากน้อยเพียงไร สมัยนี้ก็มีความรู้ทางการแพทย์ที่จะรู้ได้ว่าเราควรจะมีน้ําหนักเท่าไหร่ต่อความสูงของเราเราก็ถามหมอถามพยาบาลได้ว่าเราสูงขนาดนี้น้ําหนักที่เหมาะสมกับเรานี้อยู่ที่เท่าไหร่เราก็คอยควบคุมการรับประทานอาหารของเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่ ทางการแพทย์เขาได้มีการศึกษาและแนะนํามาว่าเป็นระดับที่ปลอดภัยต่อร่างกายอันนี้เพื่อดูแลร่างกายและทําให้ใจเราไม่วุ่นวายทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับความเป็นความไปของร่างกายนอกจากรู้จักประมาณแล้วเรายัางต้องรู้จัก อคุณค่าของอาหารที่รับประทานเพราะอาหารก็มีราคาที่ต่างกันไปอาหารมือหนึ่งนี้อาจจะร้อยบาทก็มีห้าร้อยบาทก็มีอพันบาทก็มีสองพันบาทก็มีต่อมือเราจําเป็นที่จะต้องกินอาหารที่มีราคาแพงๆหรือไม่ถ้า พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วการกินอาหารเพื่อดับก็เพื่อดับความหิวเพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขอาหารนั้นจะมีราคาแพงหรือราคาถูกก็ไม่สำคัญขอให้มีสารอาหารครบต่อกความต้องการของร่างกายเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้ก็พอ เพราะคนเรามีฐานะการเงินการทองไม่เท่ากันบางคนมีมากบางคนมีน้อยแลง้นเราก็ต้องดูฐานะการเงินการทองของเราด้วยการบริโภคอาหารของเราก็ต้องรู้จักประมาณในเรื่องของราคาของอาหารอย่ารับประทานอาหารที่มีราคาแพงกว่า ฐานะของเราเพราะว่ามันไม่แตกต่างกันรับประทานอาหารมื้อลหลายหลายเท่ากว่าของราคาปกติมันก็เป็นอาหารเหมือนกันเช่นรับประทานอาหารมื้อละร้อยกับมื้อละพันมันก็อิ่มเหมือนกันมันทำหน้าที่ได้เหมือนกันเราก็ต้องดูฐานะของเราว่าเรา มีฐานะที่จะเหมาะกับอาหารราคาไหนอย่าบริโภคอาหารที่เกินฐานะของเราเพราะมันจะทำให้เราต้องทุกข์ยากลาบากทางจิตใจที่จะต้องคอยหาเงินทองมาใช้กับการบริโภคบริโภคอาหารที่มีราคาแพง ดงนนเวลาเรารับประทานอาหารเราก็ต้องใช้เหตุใช้ผลเพื่อที่เราจะได้เลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขและไม่มาสร้างปัญหาให้กับจิตใจไม่ต้องทําให้จิตใจต้องเดือดร้อนวุ่นวายกับการไปห า, ห า, ห, าหาเงินหาทองมาเสื้ออาหารรับประทานเกินความเกินฐานะของตน น, นี่คือปัจจัยสี่ข้อที่หนึ่งของร่างกายการบริโภคต้องรู้จักบริโภคเพื่อให้มันพอดีแล้วจะทำให้ร่างกายอยู่อย่างปกติสุขและทำให้ไม่มาเกิดโทษกับทางจิตใจไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้แก่จิตใจนี่คือข้อที่หนึ่งอาหารจำเป็นจะต้องมีด้วยกันทุกคน ข้อที่สองที่เราต้องมีสําหรับร่างกายก็คือเสื้อผ้าอา่อ์เครื่องนุ่งห่มพวกเราทุกคนนี่มีเสื้อผ้า อ, าอ่อนไว้สวมใส่กันพวกเราไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่เขาไม่ต้องใช้เสื้อผ้า อ, าอ่อนแต่มนุษย์เหล่านี้ต้องมีเสื้อผ้า อ, าอ่อนไว้ปกปิดร่างกายเพื่อป้องกันภัยต่างๆเช่นภัยที่เกิดจาก อากาศหนาวเย็นภัยที่เกิดจากมารมลสัตว์กัดต่อยหรือของมีคมต่างๆที่บางครั้งเราอาจจะไปถูกเข้าไปสัมผัสเข้าถ้ามีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ก็จะป้องกัน ร, รักษาไม่ให้โรร่างกายต้องเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา นี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าผา่อนเสื้อผ้าผราอนจะมีมากมีน้อยก็อยู่ที่ความจำเป็นว่าเราจำเป็นจะต้องมีมากน้อยเพียงไรสำหรับบางคนก็ไม่ต้องมีมากก็ได้เช่นพระสงฆ์องค์เจ้านี่พระพุทธเจ้าก็ให้มีไว้เพียงชุดเดียวก็พอคือผ้าตายหนึ่งชุด ผ้าสามผืนผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนก็พอเพียงสำหรับการดูแลร่างกายและผ้านั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีราคาแพงมีคุณภาพดีผ้าของผ้าภิกษุในสมัยพุทธกาลนี้ได้ผ้ามาจากผ้าห่อศพ ผ้าที่ไปเก็บตามป่าช้าที่เราเรียกว่าผ้าป่าผ้าป่านี้ความจริงชื่อเต็มก็คือผ้าป่าช้านี่เองผ้าที่มาจากป่าช้าสมัยพระพุทธการไม่มีคนถวายผ้าให้กับผ้าภิกษุมีแต่การใส่บาตรเพียงอย่างเดียวผ้าภิกษุเลยต้องไปหาผ้าตามป่าช้าหรือตามกองขยะที่ ที่เขาทิ้งไว้ผ้าที่กาลวาดญาติโยมไม่ใช้แล้วผ้าก็ไปเก็บมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาสะสมไว้เพื่อแล้วก็มาเย็บมาปะมาติดมาต่อกันให้เป็นผืนใหญ่ขึ้นมาหลังจากนั้นก็เอาไปซักย้อมด้วยน้ำที่ต้มด้วยแกนไม้ เป็นน้ำที่สามารถซักฟอกเสื้อผ้าให้สะอาดได้ดังนั้นการใส่เสื้อผ้าจึงไม่ต้องไปคำนึงถึงราคาของเสื้อผ้าว่าจะมีราคาแพงมากน้อยเพียงไรขอให้มันทำหน้าที่ของมันได้ก็พอคือเอาไว้ปกปิดหุ้มห่อร่างกายป้องกันภัยที่จะมา กระทบกับร่างกายแล้วจะมีมากมีน้อยก็มีเท่าที่จำเป็นก็พอสมัยนี้อาจจะมีความจำเป็นหลายอย่างเพราะเสื้อผ้าอาจจะต้องใส่หลายแบบเสื้อผ้าใส่ทางานก็แบบหนึ่งเสื้อผ้าใส่ไปงานต่างๆก็อีกแบบหนึ่งเร่องไปงานศพก็ต้องมีเสื้อผ้าแบบหนึ่ง ในงานแต่งงานก็ต้องมีเสื้อผ้าอีกแบบหนึง่งไปท่องเที่ยวก็ต้องมีเสื้อผ้าอีกแบบหนึง่งก็ขอให้มีเท่าที่จำเป็นก็พออย่ามีมากเกินความจำเป็นเพราะจะมาสร้างความกดดันให้แก่จิตใจเป็นภาระให้กับจิตใจที่จะต้องไปหามาเกินความจำเป็น เช่นซื้อเสื้อผ้าด้วยความอยากซื้อเวลาเดินไปตามห้างร้านเห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆก็อยากจะซื้อมาทั้งๆ ท, ที่ไม่มีเหตุผลไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อก็อยากไปซื้อมันดีกว่าเก็บเอาเงินทองไว้สำรองเผื่อวันข้างหน้าเวลาที่เราขาดแคลนเงินทองเพราะรายได้นี้มันไม่แน่นอน บางทีก็ได้มากบางทีก็ได้น้อยบางทีก็อาจจะไม่ได้เลยก็ได้เราก็ต้องรู้จักประหยัดรู้จักเก็บออมไว้เผื่อวันข้างหน้าไม่ว่าจะใช้กับอ า, อาหารหรือใช้กับเสื้อผ้าถ้าเรารู้จักประมาณรู้จักเหตุผลของการบริโภคอาหารของการใช้เสื้อผ้าเราก็จะได้ ดัดความฟุ่มเฟือยลงไปได้เราก็จะสามารถเก็บออมเงินทองไว้สำรองไว้เวลาที่เราขาดแคลนเราจะได้มีเงินทองมาดูแลเราทำให้เราอยู่อย่างปกติสุขได้คือต้องรู้จักประมาณรู้จักเหตุผลของการบริโภค อาหารเครื่องนุ่งหม่มข้อที่สก็รู้จักบรกิโภคที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยก็มีความสําคัญมีความจําเป็นเราต้องมีที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆเวลาที่เราพักผ่อนดับนอนถ้าเราไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็จะมีภัยมาคุกคามได้ เราก็ต้องดอูเหตุผลของการมีที่อยู่อาศัยการที่อยู่อาศัยก็มีหลายรูปแบบมีหลายราคามีหลายขนาดเราก็ต้องดูฐานะของเราว่าเรามีฐานะที่จะอยู่มีที่อยู่อาศัยในรูปแบบไหนก็ให้อยู่ตามฐานะของเราอย่าพยายามอยู่เกินฐานะ พราะจะทําให้เราต้องวุ่นวายกับการที่จะต้องไปหาเงินหาทองมาใช้ในการซื้อหรือมาหรือมาใช้มาจ่ายค่าที่พักถ้าเราอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถซื้อบ้านอยู่ได้ก็เช่าอยู่ไปก็ได้บ้านเช่าหรือบ้านซื้อมันก็เป็นบ้านเหมือนกันทำหน้าที่ได้เหมือนกัน บ้านเช่าบ้านซื้อก็มีหลายราคาราคาถูกก็มีราคาแพงก็มีอันนี้เราก็ต้องดูกําลังของเราว่าเราสามารถที่จะซื้อรื้อเช่าบ้านหนราคาระดับไหนก็ใช้มันไปตามฐานะของเราเพราะว่าถ้าเราไปใช้เกินฐานะเราจะลาบาก เรา จ, จะต้องวุ่นวายกับการดิ้นรนหาเงินหาทองและอาจจะเสี่ยงต่อการที่เราอาจจะต้องไปมีหนี้มีศินหรือไปทําบาปเพื่อที่จะได้เงินทองมาใช้ใจ่ายเกินกําลังของเรามาแลมันก็จะส่งผลที่ไม่ดีให้กับจิตใจของเราอันนี้ก็เรื่องของที่อยู่อาศัย เรื่องของอยารักษาโรค ก, ก็เหมือนกันยารักษาโรค ก, ก็มีหลายราคาหลายระดับแต่ก็มีหน้าที่ทําหน้าที่ได้เหมือนกันก็คือดูแลรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายเราไปรักษาโรคตามโรงพยาบาลของรัฐราคาก็ไม่แพงอไม่ทราบว่าสาสิบาทรักษาทุกโรคยังมีอยู่หรือเปล่าอ หรือถ้าเราไปรักษาตามโรงพยาบาลเอกชนมันก็มีราคาที่แพงกว่าหลายเท่าด้วยกันอันนี้ก็ต้องดูกำลังของเราว่าเรามีกำลังเยอมากน้อยเพียงไรก็ให้ใช้ตามกำลังของเราให้รู้ว่าอยารักษาโรค ก, ก็มีไวรร้รักษาโรคภัยไข้เจ็บรักษาโรงพยาบาล ของรัฐบาลก็รักษาได้อาจจะช้าหน่อยบริการอาจจะไม่คล่องแคล่วว่องไวแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะคนใช้บริการมากเพราะราคาไม่แพง <c oughs> ก็ต้องเสียเวลาต้องรอกันแต่ถ้าไปใช้โรงพยาบาลของเอกชนก็จะรวดเร็วว่องไวบริการทันใจ แต่ก็ต้องเสียเงินมากอันนี้ก็ต้องรู้จักฐานะของเราว่าเราควรจะรักษ า, าโาครคภัยไข้เจ็บอย่างไรเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักประมาณมันจะมาสร้างความเดือดร้อนทางด้านจิตใจมาสร้างความทุกข์ทางจิตใจเราต้องการที่จะให้ การดูแลร่างกายนี้ไม่มากระทบกระเทือนกับทางด้านจิตใจด้วยเพราะเราก็ต้องดูแลจิตใจของเราด้วยเหมือนกันจิตใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องการการดูแลเหมือนกันร่างกายต้องการปัจจัยสี่นะัคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าเรามีครบสี่อย่างนี้ เรื่องของร่างกายก็หมดปัญหาไปร่างกายก็จะอยู่อย่างปกติสุขไปจนถึงวาระของร่างกายที่จะต้องจากโลกนี้ไปนี่คือหน้าที่ของเราถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขทางร่างกายไม่มีความทุกข์เราก็ต้องมีปัจจัยสี่ ส่วนจ mm ิตใจของเรานี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่ต้องการอีกส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเหมือนกับร่างกายที่ต้องการรับการได้รับการดูแลเลี้ยงดูสิ่งที่จะเลี้ยงดูร่างกายก็เหมือนกับสิ่งที่จะเลี้ยงดูจิตใจก็เหมือนกับร่างกายก็คือปัจจัยสี่เหมือนกัน่างร่างกายต้องการอาหารจิตใจก็ต้องการอาหาร ร่างกายต้องการเสื้อผ้าอภรรเครื่องนุ่งห่มจิตใจก็ต้องการเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันร่างกายต้องการที่อยู่อาศัยจจตใจก็ต้องการที่อยู่อาศัยร่างกายต้องการยารักษาโรคจจตใจก็ต้องการยารักษาโรคเช่นเดียวกันแต่ปัจจัยสี่ของจิตใจนี้ไม่เหมือนกับปัจจัยสี่ ของร่างกายนั้นเท่านั้นเองอาหารของใจนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเดียวกับอาหารของร่างกายอาหารของร่างกายที่เรารับประทานก็เป็นพวกข้าวผักเนื้อผลไม้ขนมนมเนยต่างๆส่วนอาหารของใจนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรทาให้ใจอิ่มเป็นอาหารของใจ สิ่งที่จะทำให้ใจอิ่มเป็นอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานนี้เองเวลาที่เรามีเงินทองเหลือใช้มีข้าวของเหลือใช้ที่เราไม่ได้ใช้ที่เราเาไม่ได้ทำอะไรถ้าเราเอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นผู้ที่เขาขาดแคลน ให้เขามีความสุขจากการช่วยเหลือของเราจากการให้ทานของเรามันก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานคือการให้สิ่งต่างๆที่เราสามารถจะให้ได้ไม่ต้องไปหามาให้ถ้าไม่มีจะให้ก็ แสดงว่าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะต้องทำทานเราก็ไม่ต้องทำทานร่างกใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายแต่ถ้าเรามีจะให้เราก็ให้ไปสิ่งที่ให้ก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันสิ่งแรกเรียกว่าข้าวของเงินทองต่างๆเรียกว่าวัตถุทาน การให้สิ่งของเข้าของเงินทองต่อผู้อื่นเรียกว่าวัตถุทานเช่นให้เงินทองหรือซื้อของต่างๆเช่นเวลาที่มีคนเขามีภัยธรรมชาติต้องการความช่วยเหลือเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารเรื่องยารักษาโรคเรื่องเครื่องใช้ไม้ส้อยเราก็บรยจากสิ่งเหล่านี้ไป อันนี้เรียกว่าวัตถุทานการให้วัตถุทานก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เรามีเวลามีร่างกายที่แข็งแรงสามารถไปทำงานโดยที่ไม่เรียกค่าตอบแทนเช่นไปเป็นอาสาสมัครกับหน่วย งานสาธานะรณกุศลต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเป็นการสร้างอาหารสร้างความอิ่มอกอิ่มใจให้กับใจของเราเป็นเหมือนได้รับประทานอาหารถ้าเรามีวิชาความรู้ทางโลกเช่นเรารู้ภาษาอังกฤษรู้วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ถ้าเราต้องการที่จะทําบุญทําทานเราก็ทําได้ด้วยการให้ความรู้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนให้ฟรีๆเรียกว่าทานวิทยาทานที่อาจจะสอนเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเรามีเวลาว่างเรามีความรู้ทางด้านนี้ก็เราก็ สอนเขาไปโดยที่ไม่คิดเงินทองอย่างนี้ก็เรียกว่าวิทยาทานให้ทานต่อผู้อื่นให้แล้วก็จะทำให้เรามีความสุขใจถ้าเรามาวัดบ่อยๆมาฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆแล้วเรามีธรรมะเข้าใจรู้จักใช้ธรรมะเพื่อมาดับความทุกข์ดับความไม่สบายใจให้กับเรา เวลามีคนเขาทุกข์ทางใจเขาขอความช่วยเหลือหรือมาปรึกษาถ้าเรารู้วิธีดับความทุกข์ทางใจเราสอนเขาบอกเขาไปเขาก็สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ทำให้ใจเขามีความสุขขึ้นมาอันนี้เราก็ให้ธรรมทานกับเขาทำให้ใจของเรามีความ สุขที่เราได้ช่วยเหลือคนที่เขามีความทุกข์ทางใจเพราะบางทีคนที่มีความทุกข์ทางใจมากๆถ้าไม่มีใครบอกวิธีดับทุกข์ก็อาจจะดับโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องเชนบางคนก็คิดฆ่าตัวตายก็มีแต่ถ้าเราให้ธรรมะกับเขาสอนให้เขารู้ว่าเหตุของความทุกข์ของเขานั้นเกิดจากความอยากของเขาเอง ถ้าเขาละความอยากได้หยุดความอยากได้เขาก็จะหายทุกข์นี่คือเรื่องของอาหารของใจที่พวกเราสามารถที่จะหามาเลี้ยงหล่อเลี้ยงจิตใจของพวกเราได้เวลาที่เรามีเงินแล้วเราจะเอาเงินไปใช้ซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือเอาไปใช้กับการหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ไม่ได้เป็นอาหารกับใจเพราะจะเป็นเหมือนกับยาพิษหรือ ย, ยาเสพติดถ้าเราใช้เงินทองไปกับความอยากต่างๆเห็นอะไรสวยก็อยากได้เห็นสถ า, านที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปถ้าทำใช้เงินทองไปกับความอยากนี้เหมือนกับการไปซื้อยาเสพติด ไม่ได้ไปซื้ออาหารมาหล่อเลี้ยงจิตใจจะทำให้จิตใจนี้หิวโหยอยู่ตลอดเวลาเพราะการทำตามความอยากนี้จะไม่ได้นำความอิ่มความพอมาให้จะมีแต่ทำให้มีความอยากความหิวเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเวลาที่เราไปเที่ยวแล้วพอกลับมาบ้านเราก็อยากจะไปเที่ยวอีกแล้ว พออยู่บ้านไม่ได้แนละ้วพออยู่บ้านแล้วเหงารู้สึกว่าเวเยอยากออกไปเที่ยวต่อแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้เอาไปทำบุญทาทานการทำบุญนี้จะทำให้เราตัดความอยากไปเที่ยวได้ทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวเราก็เอาไปทำบุญแทนต่อไปความอยากเที่ยวมันก็จะไม่มารบกวนเรา แล้วเราทำบุญเราก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจเวลากลับมาบ้านเราก็จะอยู่บ้านอย่างไม่เดือดร้อนไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวไม่รู้สึกว่าจะต้องออกไปเที่ยวข้างนอกอนี่คือเรื่องของการมีเงินแล้วต้องรู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งเราก็ใช้เพื่อร่างกายเลี้ยงดูร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภรรด้วยปัจจัยสี่ เราต้องมีเงินทองเราถึงจะสามารถมีปัจจัยสี่ได้พอเรามีปัจจัยสี่พอเพียงเรายังมีเงินเหลืออยู่ก็อย่าเอาเงินไปใช้ตามความอยากตามความฟุ่มเฟือยเพราะมันไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจมันจะเป็นยาพิษหรือเป็นยาเสพติดพอเสพแล้วมันจะติดและเวลาที่มันไม่ได้เสพมันจะทุกข์ทรมานใจ ถ้าเราเคยเที่ยวอยู่เรื่อยๆแล้วพอเราไม่มีเงินเที่ยวเราก็จะเดือดร้อนจะอยู่บ้านอย่างไม่สงบอยู่บ้านอย่างไม่มีความสบายใจหรือถ้าเรายังมีเงินอยู่แต่ร่างกายเรา เ, าเก็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการไปไม่สามารถไปเที่ยวไปทาตามความอยากได้มันก็จะทำให้เราทุกข์ทรมานใจ เราต้องคิดถึงสภาพของร่างกายของเราที่มันไม่แน่นอนวันนี้อาจจะสมบูรณ์แข็งแรงสามารถไปไหนมาไหนได้แต่วันข้างหน้าไม่มีใครรู้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะพิกลพิการไปส่วนใดส่วนหนึ่งของทางร่างกายอาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะไปทาตามความอยากต่างๆได้ แต่ถ้าเรายังมีความอยากอยู่เราจะทุกข์ทรมานใจมากเวลาที่เราไม่สามารถทำตามความอยากได้แต่ถ้าเราฝึกาการทำบุญทำทานแล้วก็เลิกละการทำตามความอยากต่างๆถ้าทำก็ทำให้อยู่ในพอประมาณทำบ้างหยุดบ้างให้รู้จักหยุดให้เป็นเผื่อเวลาที่เราต้องหยุด ด้วยการถูกบังคับให้หยุดเราจะได้ไม่ทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราไม่รู้จักหยุดความอยากเลยทำตามความอยากไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอถูกบังคับด้วยด้วยความความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายหรือการขาดแคลนเงินทองมันจะทำให้เรามีแต่ความทุกข์ใจ น, นี่คือเรื่องของการใช้เงินให้ถูกวิธี ให้เกิดคุณประโยชน์กับจิตใจอย่าให้มันเกิดโทษกับจิตใจก็ต้องใช้ด้วยการไปซื้ออาหารมาให้กับใจคือการเอาไปทำบุญทำทานอย่าเอาไปซื้ อ, อยาเสพติดมาให้กับใจด้วยการไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นต้องซื้อต้องมีอย่าเอาไปใช้กับการเที่ยวเตร เพราะ น, นี้มันไม่ได้เป็นอาหารแต่มันเป็นยาพิษเป็นยาเสพติดมันจะต้องสร้างความทุกข์ใจต่อไปอนี่คือเรื่องของปัจจัยข้อที่หนึ่งของใจคืออาหารของใจอาหารของใจก็คือการทําบุญให้ทานนี้ข้อที่สองเครื่องนุ่งห่มของใจที่จะมารักษาป้องกันภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับใจให้ใจนี้สวยงามด้วยเสื้อผ้าผรเสื้อผ้าผรอของใจคืออะไรก็คือศีลห้านี่เองการไม่ทำบาปผ้าประการด้วยกันคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปลดโกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรายามเมาถ้าเราไม่เทีาวทำ บาปแล้วภัยที่จะเกิดจากการทำบาปก็ไม่มีภัยที่เกิดจากทำบาปคืออะไรก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆความวิตกความหวาดกลัวเวลาเราไปทำบาปแล้วเนี่ยใจเราจะวิตกกังวลหวาดกลัวกลัวที่จะต้องถูกจับไปลงโทษและภัยที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่เกิด ถ้าเรามีศีลคุ้มครองคือภัยที่จะต้องไปเกิดในอบายนั่นเองอบายนี้เป็นที่ที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนสุลกายไปตกนรกเหตุที่พาให้เราไปเจอภัยเหล่านี้ก็คือการไม่มีศีลไว้คุ้มครองนั่นเอง เมือนกับเวลาที่ร่างกายเราไม่มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ร่างกายเราก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เวลาพบกับอากาศหนาวเย็นหรือเวลาไปถูกของแหลมคมเอแตะต้องร่างกายก็จะทําให้มีแผลต่างๆขึ้นมามีมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆแต่ถ้าเรามีเสื้อผ้าไว้ใส่ก็จะคุ้มครองร่างกายของเรา ศีลก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าผ่อนของจิตใจจะป้องกันภัยที่จะมาคุกคามจิตใจมาสร้างความทุกข์สร้างความวิตกกังวลหวาดกลัวต่างๆนะจะไม่ต้องให้เราไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องไปตกนรก นอกจากป้องกันภัยแล้วเสื้อผ้าผ่อนก็ยังเป็นเครื่องเสริมความงามน่างกายเรางามก็เพราะเรามีเสื้อผ้าผ่อนที่สวยงามไว้สวมใส่เวลาเราแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าผ่อนจะดูสวยงามกว่าตอนที่เราไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวเลือแต่งเสื้อผ้าผ่อนที่ไม่สวยงามชันใดศีลนี้ก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าผ่อนที่สวยงาม คนที่มีศีลนี้มักจะเป็นคนที่มีแต่คนรักคนชอบคนไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเขามีความมั่นใจว่าจะไม่มาสร้างความเสียหายให้กับเขานั่นเองคนที่มีศีลนี้จะไม่ไปฆ่าผู้อื่นจะไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่ประเพสผิดประเวณีจะไม่ไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นจะไม่โกหกหลอกลวง จะไม่ดืม่มโุรายาเมาแล้วก็อาลวาดสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นใครมีสีหน้านี้จะเป็นคนที่น่ารักมีคนที่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือเสื้อผ้าอนแบช้างเป็นทั้งเครื่องเสริมสวยความงามและเป็นเครื่องป้องกันภัยของจิตใจก็คือสีหน้า คนที่มีศีลห้านี้ตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายอยู่ก็ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่วิตกกังวลหวาดกลัวไม่กลัวใครทั้งนั้นไม่กลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กลัวอะไรเวลาเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถ้าเราทำอะไรผิดนี่เราเจอใครเราจะกลัวไปหมดกลัวเขาจะรู้ว่าเราทำอะไรผิดกลัวว่าจะถูกไปจับลงโทษหรือถูกเขาประนาม ตัวเขาตำหนิติเตียนว่าเราเป็นคนไม่ดีถ้าเราอยากจะมีความสวยงามทางจิตใจอยากให้จิตใจเราสวยงามมีความน้อมเย็นเป็นสุขเราก็ต้องละการกระทำบาปทั้งปวงนอกจากการรักษาศีลห้าแล้วก็ยังต้องละอบายามุกด้วยอบายามุกก็มีอยู่ห้าอย่าง เดิมสราเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นต่างๆคบคนไม่ดีเป็นมิตรและความเกลียดค้าน เ, เพราะอบายามุขนี้ถ้าเราไปเสพแล้วมันจะดูดซับดูดเวลาของเราไปทำให้เราไม่สามารถมีเวลาไปหาเงินหาทองมาจุนเจือมาเลี้ยงดูชีวิตเราได้เมื่อเราขาดเงินขาดทอง ไม่มีเงินทองเราก็อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะได้มีเงินทองมาใช้จ่ายแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกเงินทองที่เราหามาได้ก็จะอยู่กับเราปลอดภัยจะไม่ถูกดูดไปถ้าไปดื่มการพ น, นันไปดื่มสุราก็ต้องใช้เงินทองไปเล่นการพ น, นันก็ต้องใช้เงินทองไปเที่ยวก็ต้องใช้เงินทอง ไปคบคนไม่ดีเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวไปไปกินไปดื่มไปเล่นถ้าเราเกียรติค้านเราก็จะไม่ไปทำงานเราก็จะมีแต่ใช้เงินแต่ไม่รู้จักหาเงินอพอไม่มีเงินมันก็จะบังคับให้เราต้องไปทำบาปถ้าเราไม่ไปเสพอบายามุกเราก็จะสามารถรักษาเงินทองที่เราหามาได้เอาไว้สำหรับจุนเจอือ ชีวิตของเราเลี้ยงดูชีวิตคือร่างกายของเราให้อยู่อย่างเป็นสุขเป็นปกติได้นะังั้นถ้าเราอยากจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจทางจิตใจมีแต่ความสบาย อ, อกสบายใจเราก็ต้องมีเสื้อผ้าผ่อนของใจไว้สวมใส่ก็คือต้องมีสีห้าต้องพยายามรักษาศีนหน้ากันให้ได้แล้ว จิตใจของเราจะปลอดปราศจากความทุกข์วุ่นวายใจต่างๆตายไปก็ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อเลยถ้าไม่ได้ทำบุญแต่ถ้าได้ทำบุญก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆก่อนการไปสวรรค์ก็เหมือนกับการไปท่องเที่ยวตามที่ท่องเที่ยวต่างๆมีแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนี่คือเรื่องของอาหารและเสื้อผ้าผ่อนของใจส่วนที่อยู่อาศัยของใจคืออะไรที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธิหรือความสงบตั้งมั่นนั่นเองใจของเรานี้ถ้าไม่สงบนีใจของเราจะวุ่นวาย เวลาไปกระทบไปสัมผัสรับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆทางตาหูจมูกินืนกายถ้าไม่มีสมาธินี้ใจจะมีความทุกข์เห็นนั่นเห็นนี่ก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาได้เห็นหรือได้ยินสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบก็วุ่นวายใจแบบหนึ่งเพราะวุ่นวายด้วยความอยากได้ ถ้าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพะทิมาที่ไม่ชอบก็วุ่นวายอีกแบบหนึ่งวุ่นวายแบบเพราะว่าไม่ต้องการที่จะรับรู้ไม่อยากจะสัมผัสแต่เมื่อต้องสัมผัสก็จะวุ่นวายใจเช่นได้ยินเสียงคลหาานินทาก็วุ่นวายใจได้ยินเสียงชมก็ดีใจแล้วก็อยากจะให้เขาชมไปเรื่อยๆพอวันไหนไม่ได้ยินเสียงชมก็จะรู้สึกไม่สบายใจ อันนี้เป็นเพราะว่าใจเราไม่รู้จักความสงบไม่รู้จักอยู่เน่งๆ่ ง, งเฉยเฉยไม่ไปวุ่นวายไปกับการที่เราจะต้องไปสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆเวลาที่เรามีความวุ่นวายใจถ้าเราอยากจะให้ความวุ่นวายใจหายไปเราก็ต้องสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยเหมือนกับเวลาร่างกายไปเจอเหตุการณ์นอกบ้าน ที่วุ่นวายหรือเป็นภัยอันตรายเช่นมีฝนตกมีพายุถ้าเราเข้าไปในบ้านได้เราก็จะปลอดภยัยอย่ใดถ้าเราใจเราวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเราไปเจอเรื่องนั้นเจอเรื่องนี้แล้วทำให้เราวุ่นวายใจถ้าเราอยากจะให้ใจหายจากความวุ่นวายเราก็ต้องมีสมาธิเป็นที่หลบ ถ้าเราฝึกนั่งสมาธิเป็นทางใจให้นิ่งให้สงบเป็นเวลาใจสงบแล้วจะไม่รับรู้หรือจะไม่สนใจกับเหตุการณ์ต่างต่างที่มาให้ใจได้สัมผัสรับรู้ถ้าใจนิ่งมีโอเบคาแล้วจะเฉยเฉยต่อการสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะหรือถ้าจิตสงบได้อย่างเต็มที่ก็จะปิดการรับรู้อย่าง ร้อไม่รับรู้เรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเลยถ้าเป็นเหมือนบ้านก็ปิดหน้าต่างปิดประตูปิดปิดม่านไม่รับรู้อะไรภายนอกบ้านอยู่ในบ้านอย่างปลอดภยัยอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายนี่คือบ้านของเราคือสมาธิการที่เราจะมีบ้านแบบนี้ด้านี้เราต้องใช้สติเป็นเครื่องมือ ใช้เงินซื้อบ้านแบบนี้ไม่ได้มีเงินกี่ร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถซื้อสมาธิได้ถ้าอยากจะได้สมาธินี่ต้องใช้สติเป็นปัจจัยซื้อเป็นเหมือนสติเป็นเหมือนเงินทองที่จะทําให้เราซื้อบ้านคือสมาธิให้ใจอยู่อย่างปลอดภัยจากเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆได้เราถ้าอยากจะมีบ้านเราก็ต้องหาสติกัน เหมือนกับเราอยากจะซื้อบ้านให้กับร่างกายเราก็ต้องหาเงินหาทองกันเพื่อมาซื้อบ้านให้ร่างกายอยู่ถ้าเราต้องการบ้านให้จิตใจอยู่เราก็ต้องมีเงินทองคือมีสติเราต้องขยันฝึกสติอยู่เรื่อยไม่ใช่มานั่งสมาธิแบบไม่มีสติถ้านั่งแบบไม่มีสตินั่งไปก็นั่งไม่ได้นาน พอจะเริ่มนั่งก็เริ่มรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรมาควบคุมความอยากความอยากนี่จะไม่ชอบอยู่เฉยๆชอบไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสชอบไปทำนู่นทำนี่พอถูกบังคับให้นั่งเฉยๆก็จะเกิดอารมณ์อึดอัดขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีสติคอยควบคุมความอยากควบคุมความคิด ไม่ให้คิดไปเถึงเรื่องราวต่างๆไม่ไปคิดเถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆใจก็จะไม่รู้สึกอือ่นึดอัดเวลาที่จะมานั่งสมาธิเนยแล้วถ้ามีสติหยุดความคิดได้อย่างเต็มที่ความอยากก็จะหยุดตามพอความอยากหยุดมใจก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมามีความสงบมีความสบายใจมีอุเบกขา ความรู้สึกเฉยๆไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่มาให้ใจได้สัมผัสรับรู้เหมือนเวลาอยู่ในบ้านถึงแม้ฝนจะตกเสียงจะดังผู้ที่อยู่ในบ้านก็ไม่ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเสียงฝนตกกับเสียงพายุเพราะอยู่มีที่ปกป้องรักษาใจก็เหมือนกันถ้ามีสติ ทำใจให้สงบได้ใจจะมีอุเบกขาที่จะมาปกป้องรักษาใจให้ไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับจิตใจ <c oughs> เราจึงต้องฝึกสมาธิฝึกสติกันให้มากๆแล้วหัดนั่งสมาธิกันให้บ่อยๆก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ควรจะมีสติก่อนถ้าไม่มีสตินั่งแล้วใจก็จะลอยจะคิดเลื่อยเปื่อย นั่งไปแล้วก็จะไม่ได้ผลแล้วก็จะทําให้ท้อแท้เบื่อหน่ายไม่อยากจะนั่งเพราะเราไม่มีสติเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นเองเหมือนกับจะไปซื้อบ้านไปดูบ้านกี่หลังไม่มีเงินจ่ายค่าดาวเขาก็ไม่ให้เราจองเราต้องมีเงินจ่ายค่าดาวก่อนก่อนที่เราจะไปซื้อบ้านเราก็ต้องไปหาเงินเตรียมไว้ก่อน ก่ที่เราจะนั่งสมาธิเราก็ต้องหาสติเตรียมไว้ก่อนฝึกสติคอยควบคุมความคิดไว้ก่อนอย่าปล่อยให้ใจคิดด้วยเปื่อยอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับเรื่องราวความคิดต่างๆดึงใจไว้ให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะให้อยู่กับคบําบาลีรมพุทโธพุทโธก็ได้พอตื่นขึ้นมาดึมตาขึ้นมาพอจะคิดด้วยเปื่อยก็พุทโธพุทโธไป หรือถ้าจะให้อยู่กับการเฝ้าดูร่างกายก็ได้ให้ดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังนอนกำลังลุกกำลังยืนกำลังเดินกำลังไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหาร ก, ก็ให้ใจคอยเฝ้าดูร่างกายอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างสติขึ้นมา ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยได้เวลานั่งสมาธิเราจะดูลมหายใจมันก็จะดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวจะพุโทโธมันก็จะพุโทโธไปอย่างเดียวโดยที่ไม่ไปคิดเรื่องต่างๆได้พอไม่คิดพอดูลมหรือพุโทโธไปได้อย่างต่อเนื่องไม่นานมันก็จะสงบนิ่งเราต้องนั่งถึงจะนิ่งถ้าไม่นั่งมันจะไม่นิ่งถ้าเราเดินหรือทาอะไรแล้วมีสติ เราก็ได้เพียงแต่คอยควบคุมความคิดทำให้ใจว่างแต่มันยังไม่นิ่งถ้ามันจะนิ่งนี้มันต้องนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเพราะเวลาที่ร่างกายเคลื่อนไหวนี้ใจยังต้องทำงานอยู่นั่นเองใจยังต้องคอยสั่งร่างกายให้เดินให้ยืนให้ให้นั่งให้นอนให้ทำอะไรต่างๆอยู่ถ้าเราต้องการให้ใจหยุดทำงานเราต้องให้ร่างกายนั่งเฉยๆ แล้วบังคับให้ดูลมหายใจไปหรือให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบแล้วก็มีอุเบกขาปรากฏขึ้นมาแล้วใจจะมีความรู้สึกเบาสบายไม่วุ่นวายไม่วิตกกังวลไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งสิน้นเพราะไม่มีอะไรมาสร้างความเดือดร้อนสิ่งที่มาสร้างความเดือดร้อนก็คือความคิดความอยากนั่นเอง ถ้าเรายังคิดถึงคนนั้นเรื่องนั้นอยู่มันก็จะทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายใจขึ้นมาได้แต่พอเราไม่ได้คิดถึงอะไรมันก็จะไม่มีอะไรมาทำให้เราวุ่นวายใจนี่คือเรื่องของสมาธิที่อยู่อาศัยแต่เราก็ไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเหมือนกับเราก็ไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลาบางเวลาเราก็ต้องออกนอกบ้านไปทำมาหากินไปทาธุระอะไรต่างๆ ใจก็เหมือนกันก็บางเวลาก็ต้องออกมากับทาธุระกับร่างกายร่างกายไปทาธุระอะไรต่างๆก็อาจจะเกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เกิดความเครียดขึ้นมาได้ถ้าเรามีปัญญาเราจะสามารถทำลายรักษาใจไม่ให้เครียด ก, กับไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้ เพาะพรุทธเจ้าได้ส่งค้นพบว่าความเครียดความทุกข์ของใจของเรานี้เกิดจากความอยากต่างๆนี่ เ, เกิดจากความอยากได้ อ, อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพพระมาเสดความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตและความอยากไม่มีไม่เป็นอยากไม่ยากจนอยากไม่ตกทุกข์ได้ยากลําบาก อยากไม่สูญเสียสิ่งที่เราลักไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเรามีความอยากเหล่านี้เกิดขึ้นมาเมื่อไรเราจะมีความทุกข์ใจปรากฏขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วเรารู้ว่าความทุกข์ใจเราเกิดจากความอยากนี้เราก็หยุดความอยากนั้นไปอย่าไปอยากอยากว่ามันทุกข์พราะสิ่งที่เราอยากได้มันจะทาให้เราทุกข์ ได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเสียมันไปพอเสียมันมันก็จะทำให้เราทุกข์ใจไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเสพอะไรใจของเราก็จะไม่ทุกข์นี่คื อ, อยารักษาโรคใจเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาที่เราจะต้องออกมารับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆแล้วเกิดความอยากต่างๆขึ้นมา เราก็ต้องคอยนั ง, งับความอยากอยากดูอยากฟังอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องดูต้องฟังก็อยากไปอยากมันอยากมีอยากเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปอยากมันใช้ปัญญาสอนใจว่าอยากแล้วเดี๋ยวมันก็ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จบรวยขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ตายใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ตายนให้เรามีปัญญามาสอนใจแล้วเราจะได้ไม่ ตามความอยากต่างๆไม่มีความอยากบ้พอเราไม่มีความอยากที่เกิดจากการมีปัญญาใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆเห็นใครมีเงินมีทองก็ไ ม, ม่ไม่อยากจะมีเหมือนเขาเห็นใครเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่มีความอยากจะเป็นใหญ่เพราะเห็นว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องตายกันได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายจากมันไปและขนาดที่ไม่ได้ก็วุ่นวายกัน เวลาได้ก็ต้องวุ่นวายกับการคอยดูแลรักษามีแต่ความทุกข์อยู่กับเรื่องราวต่างๆตลอดเวลาถ้ามีความอยากถ้าไม่มีความอยากเราไม่ทุกข์ถ้าได้อะไรมาก็เก็บเอาไว้เฉยๆจะใช้มันก็ได้ไม่ใช้มันก็ได้ไม่เดือดร้อนมีก็มีไปไม่มีก็ไม่เดือดร้อนมีก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีความอยากใจจะไม่มีความทุกข์เพราะมียารักษาโลกใจอยู่ตลอดเวลา เวลามีความทุกข์ใจก็กินยาคือเอาปัญญามาใช้ ส, สอนใจว่าอย่าไปอยากที่ทุกข์ตอนนี้ก็เพราะอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ทุกข์พอมาใช้ปัญญาดูว่าแล้เราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าไปสั่งเขาได้หรือเปล่าถ้าสั่งก็ไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้อยากไปทำไมอยากก็ไม่ได้ดังใจอยากได้แต่ความทุกข์ถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็จะหยุดอยากได้ อันนี้คือเรื่องของการมียารักษาโรคใจต้องรักษาด้วยปัญญาต้องรู้ว่าความเครียดความทุกข์ใจต่างๆเกิดจากความอยากอยากในสิ่งที่มันไม่ถาวอนอยากให้มันถาวอนมันก็เครียดเวลามันไม่ถาวอนอยากให้มันอยู่ภายใต้ความควบคุมบังคับของเราพอมันไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมบังคับของเราก็เครียดก็ทุกข์กัน เนถ้าเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็อย่าไปอยากให้มันเที่ยงอย่าไปอยากควบคุมมันแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมัน <Yeah. S 1> นี่คือปัจจัยสี่ของจิตใจคือทานอาหารก็คือทานอาหารของจิตใจก็คือทานทำบุญทำทานเสื้อผ้าพรของจิตใจก็คือศีลที่อยู่อาศัยของจิตใจก็คือสมาธิ ยารักษาโรคใจก็คือปัญญาเหมือนกับร่างกายร่างกายก็ต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยถ้าเรามีปัจจัยสี่ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจครบถ้วนบริบูรณ์เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนี่คือสิ่งที่พวกเรา ควรที่จะให้ความสำคัญนะสร้างมันขึ้นมาคือปัจจัยสี่ทางร่างกายและปัจจัยสี่ทางจิตใจถ้าเรามีทั้งสองส่วนแล้วชีวิตจิตใจของเราจะชีวิตของเราจะมีแต่ความโล่งเย็นเป็นสุขไปตลอดไม่มีความทุกข์ไม่มีความเครียดไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆเลยจึงขอฝากเรื่องของการดูแลรักษา ส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราคือร่างกายและจิตใจด้วยปัจจัยสี่ทางร่างกายและทางจิตใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจและหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาไรวาหาปุราปะรโปเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกะปติอิธิตังปฏทิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกะปา จันโทมาราโสยะามณิโจติอราโสยะาสัพพิติโยวิวาชันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวัรณตระโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจามุธาปจายิโน จตารโรธรมมวทานติอายุวนโนสุขังภาลางต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้ตลอดจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันแต่หลังจากนั้นเราต้องขออนุญาตงดถามตอบ ถ้าอยากจะถามถามช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็เขียนข้อความเข้ามาให้พิธีกรอ่านคำถามให้ก็ได้วันนี้ทาง f facebook y o u t u b e เข้ามาเท่าไหร่ครับวันนี้ทาง a ฟ e บุ o กเข้ามาทั้งหมด3ามอสาสิบสี่คนทาง youtube เข้ามาทั้งหมดหนึ่ง้ยสิบคนแล้วทาง r a ดี้เข้ามาทั้งหมดสิบ็ดคนผู้ที่มาและฟังบนเขาทั้งหมดหนึ่ง้อยห้าสิบดคนรวมทั้งหมด หกร้อยยสิแปดคนครับผมคาถามทางบ้านคําถามจากไลน์นะคะจากคุณปัทมาค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคนที่ยังห่วงแหนสม บ, บัติคิดมากเรื่องเงินทองทําทานน้อยแต่ใช้จ่ายเพื่อตัวเองเต็มที่ค่ะจะสามารถสําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลได้ไหมเจ้าคะไม่ได้หรอกคนที่จะเป็นพระอริยะได้ต้องปล่อยวางของภายนอก ปวางร่างกายได้พระโสดาบันนี่ต้องสละชีวิตได้ยอมตายยอมเจ็บยอมแก่อย่าพูดถึงเรื่องสมบัติเลยสมบัติเก้าของเงินทองนี้มันยังมีคุณค่าน้อยกว่าร่างกายของเราถ้าเรายังสละสมบัติภายนอกไม่ได้เราจะไปสละร่างกายเราได้อย่างไรเราจะเป็นโสดาบันไม่ได้ เราจะเป็นโสดาบันไดก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเดี๋ยวก็ต้องหมดไปต้องตายไปต้องหมดสิ้นไปถ้าเห็นอย่างนี้เ้าก็จะปล่อยวางได้แล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดมีเงินทองก็อยากจะเอาไปทาบุญเอาไปช่วยเหลือคนอื่นแทนที่จะเอามา ใช้ให้กับตนเองเพราะเป็นการใช้เงินทองเพื่อความอยากนี่เป็นเหมือนการซื้ อ, อยาเสพติดไม่ได้มาทําให้ใจมีความสุขมากมีความทุกข์มากกว่าเพราะจะต้องเสพอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเอาไปทําบุญแล้วจะทําให้ใจอิ่มใจสบายไม่ต้องใช้เงินตามความอยากไม่มีเงินใช้ก็ไม่เดือดร้อนคำถามต่อไปจากคุณวิพานะคะ ขอพระอาจารย์โปรดเมตตาตอบคำถามด้วยค่ะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่คับขันเช่นขณะเดินทางโดยเครื่องบินแล้วเครื่องยนต์ขัดข้องและมีอาการเครื่องสัน่นซึ่งตอนที่ไม่ทราบใจก็เฉยๆแต่พอทราบว่าเครื่องยนต์มีปัญหาใจเริ่มกังวลในสถานการณ์เช่นนี้เราควรจะควบคุมใจอย่างไรดีคะก็แล้วแต่ว่าเราสามารถครวบคุมด้วยสติหรือด้วยปัญญา ถ้ายังควบคุมด้วยปัญญาไม่ได้ถ้าควบคุมด้วยสติได้ก็ควบคุมด้วยสติไปก่อนก็บาิีกรรมพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นใจก็จะหายสั่นได้แต่จะหายแบบชั่วคราวถ้าเกิดไปคิดถึงมันเมื่อไหร่ก็จะสั่นขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะให้หายมันอย่างถาวอนก็ต้องใช้ปัญญาเกิดพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยง เกิดแก่เจ็บตายร่างกายในที่สุดก็ต้องตายไปและขณะนี้อาจจะเป็นเวลาที่ร่างกายจะต้องตายไปก็ได้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาและห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนใช้ร่างกายเหมือนกับคนขับเครื่องบินเวลาร่างกายตายไปถ้าเราฉลาดมีปัญญาเราก็เหมือนกับมีล่มชูชีพ เราก็แยกตัวเราออกจากร่างกายไปปล่อยให้ร่างกายมันตายไปเรามีปัญญาใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ไม่หวาดกลัวไปกับความตายของร่างกายอันนี้ก็คือใช้ปัญญาแยกแยกใจออกจากร่างกายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงมันจะต้องตายแต่เราไม่ตายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้อง แยกตัวเราออกจากร่างกายด้วยการปล่อยวางร่างกายปล่อยให้มันตายไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคำถามต่อไปจากคุณเน่งนะคะกราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะคุณแม่ฝากคําถามค่ะว่าการที่พระพิสุกนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์ออกมาบินทบาทแวงเฉพาะบ้านที่ใส่บาดประจําเป็นการผิดพระวินัยหรือไม่คะก็ไม่ผิดหรอกอาจจะผิดธรรมเนียมธรรมเนียมเดิมก็คือมีการ เดินไปตามเราแวกบ้านแต่สมัยปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปคนใส่บาตรไม่เหมือนเมื่อสมัยก่อนคนใส่บาตรอาจจะน้อยหนึ่งสองอาจจะไปใส่ที่อื่นไม่ได้อยู่ใส่ตามบ้านยานันอาจจะมีบ้านเพียงไม่กี่บ้านที่ใส่อาจจะให้เดินไปมันอาจจะไกลเกินไปก็อาจต้องอาศัยรถหรืออาศัยมอเตอร์ไซค์แล้วแต่อันไหนจะเหมาะสม ที่วัดยานนี้ก็เหมือนกันไม่สามารถบินธบาทรอบบริเวณวัดได้เพราะบ้านน้อยไม่พอฉันชาวบ้านที่อยู่บ้า น, นอำเภออยู่ตามแหล่งชุมชนเขานิ่หมุไปแต่มันไกลถ้าเดินไปมันจะกลับมาถึงวัดก็เที่ยงกว่าดี <c oughs> ก็เลยต้องอาศัยรถยนต์าพาไปก็ต้องนั่งรถยนต์ไปอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนประเพณีเป็นเปลี่ยนธรรมเนียมการบินธบารสมัยโบราณมัน เป็นหมู่บ้านเข้าไปแล้วก็ใส่ทุกคนในบ้านใส่ในหมู่บ้านระยะทางก็ไม่ห่างไกลจากวัดก็จากจากตัววัดก็เดินไปกลับชั่วโมงนึงเขาก็ใช้ธรรมเนียมแบบเดิมก็คือเดินไปเดินกลับแต่สมัยนี้ที่มันอาจจะไกลก็อาจจะต้องอาศัยรถยนต์เป็นพานะพาไป แต่เมื่อถึงแล้วก็ต้องเดินหรือยืนรับบาดไม่ใช่นั่งอยูอ่ไม่ใช่ไม่ยอมลงจากรถให้ญาติยอมก็ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนประเพณีธรรมเนียมตามภาวะเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปตามตามตามยุคตามสมัยอันนี้ไม่ถือว่าผิดพระวิ น, นัยค่ะคำถามต่อไปจากคุณเจี๊ยบนะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ในการทำงานมีคนหลายกลุ่มถ้าเราต้องเจอกับกลุ่มเห็นแก่พวกพ้องและเราเป็นคนนอกกลุ่มซึ่งไม่ได้รับผลประโยชน์และจะถูกกันแกล้งปัดแข้งปัดขาตลอดเวลาซึ่งบางครั้งเป็นสิ่งไม่ถูกต้องเราควรทำตัวอย่างไรคะเราก็ต้องมองโลกในมุมกว้างว่าโลกเรามีคนหลายแบบคนเห็นแก่ตัวก็มีคนเห็นแก่ส่วนรวมก็มี คนที่เห็นตามเหตุตามผลก็มีเพรฉะนั้นเราจะไปไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยู่กับกลุ่มที่เขาเห็นแก่ตัวเราก็ต้องยอมรับสภาพไปถ้าเราไม่ชอบเขาเราก็เปลี่ยนไปที่ทำงานใหม่หางานใหม่ไปไปหากลุ่มที่เขามีเหตุมีผลเรื่องมีไม่เอารัดเอาเปรียบกันมีการช่วยเหลือแบ่งปันกัน โลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันเหมือนนิ้วของเรานิ้วของเรายัางไม่เท่ากันเลยมีสั้นมียาวมีเล็กมีใหญ่คนในโลกนี้ก็เป็นแบบนี้มีทั้งคนเห็นแก่ตัวมีทั้งคนที่ไม่เห็นแก่ตัวคนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบคนเอารัดเอาเปรียบอคนดีคนไม่ดีมันปนกันไปเราก็เลือกพระพุทธเจ้าสอนให้เราเลือกคบคนอาเซวนาจะบาลานังอย่าไปคบคนไม่ดีอ บันดิตานั้นจะเซ่ยวนังให้คบคนดีแต่ถ้าเมื่อไม่สามารถเลือกได้ก็ต้องทำใจอันนี้จังทุกขังอนั้ตาไปทำใจให้เป็นรูเบกขาว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันที่จะต้องตกอยู่ในภาวะนี้ไปจนกว่าเราจะสามารถเลือกที่ใหม่ได้แล้วเราค่อยไปถ้ายังไปไม่ได้ก็อดทนไปก่อนดีกว่าอดอยากออกจากงานแล้วไม่มีงานทำ ก็ทนอยู่กับเหตุการณ์นั้นไปอย่างน้อยก็ยังมีรายได้มีเงินเดือนมีมีเงินหาอาหารมารับประทานดีกว่าตกงานแล้วก็ไม่มีงานไม่มีรายได้ก็จะลำบากกว่าคํะถามต่อไปจากคุณสายหยุดคะ่ะแกรบเรียนถามว่าการบริจาคร่างกายให้เพื่อให้นักศึกษาแพทย์เรียนได้บุญไหมคะจะได้บุญเป็นอะไร ฝากพระอาจารย์อธิบายกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะอะ่าได้บุญต่อเมื่อเราให้ตอนที่เรายังไม่ตายคือยกร่างกายให้าไปเลยตอนนี้เบอกหมอไปเลยหมออยากจะผ่าอยากจะเปิด อ, อกดูอยากจะควักเอาตาไปเปลี่ยนให้คนนั้นเอาหัวใจไปเปลี่ยนให้คนนี้ต้องทำในขณะที่เรารับรู้อยู่ถ้าเราไม่รับรู้แล้วเราก็ไม่ได้บุญเพราะบุญมันจะเกิดตอนที่เรา รู้ว่าเราได้เสียสละสิ่งที่เราลักไปเหมือนกับเวลาเราเบริจาคเงินทองนี่เรารู้เวลาเรารู้แล้วพอเราเบริจาคไปเรามีความสุขใจขึ้นมาที่เราได้เสียสละสิ่งที่เรารักเพื่อประโยชน์ของคนอื่นร่างกายเราก็เป็นเหมือนเงินทองที่เราถ้าเราอยากจะทำบุญด้วยร่างกายเราก็ทำได้แต่เราต้องทำตอนที่เรายัางไม่ตายเช่นเราสามารถบริจาควายวายวะบางส่วนได้ เช่นเรามีตาสองข้างอาจจะแบ่งตาให้คนอื่นไปข้างหนึ่งก็ได้ถ้าสงสารเขาอยากาจะให้เขาเห็นหรือถ้าเรามีไตสองอันแบ่งไตไปให้คนอื่นสักไตหนึ่งเพื่อเขาจะได้อยู่ได้หรือมีปอดสองข้างก็แบ่งไปข้างหนึ่งอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ก็จะได้บุญบุญคือความสุขใจอิ่มใจที่มันจะเกิดตอนที่เราได้เสียสละสิ่งที่เรารักที่เราหวงไป อันนี้แม้แต่จะสละสามีภรรยาก็ได้ถ้าเขาหนึ่งก็มาชอบสามีภรรยาเราก็ยกให้เขาไปเลยถ้าเรายกได้เราจะสบายใจมีความสุขใจแต่ต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เขียนพิณในกรรมไว้ว่าถ้าเราตายล้วยกภรรยาให้คนอื่นนี่จะไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะเรายังไม่ได้ให้นะดังนนถ้าอยากจะได้บุญคือความสุขใจอิ่มใจความสบายใจ ก็ต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ตอนที่เรายังรับรู้อยู่ค่าำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนมัสการพระอาจารย์ใจของผมมันติดผลการเรียนมากครับพระอาจารย์ถ้าผลสอบออกมาเมื่อไหร่และวิชาไหนมันไม่ได้ท็อปใจมันจะทุกข์มากเลยครับขอความเมตตาพระอาจารย์ในะคติเพื่อเป็นการแก้ใจปุถุชน คนหนาอย่างผมด้วยครับขอบพระคุณครับคือเราไปตั้งใจที่ผลไม่ซึ่งเป็นจุดที่ไม่แน่นอนเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับผลได้พอมันไม่ได้ดังที่เราตั้งเป้าไว้เราก็จะเสียใจได้ดังั้นเราควรจะเปลี่ยนใจเราไปตั้งที่เหตุดีกว่าเหตุก็คือการเรียนของเราการตั้งใจเรียนทําการบ้านดูหนังสือของเราอันนี้เราสามารถควบคุมได้ทําให้มันเต็มที่ได้ ทำให้มันเต็มร้อยได้อันนี้เอาใจเราไปตั้งที่เหตุกันแล้วกันแล้วผลมันจะตามมาจากเหตุถ้าเหตุมันเต็มร้อยผลมันก็ต้องเต็มร้อยถ้าเหตุมันไม่เต็มร้อยต่อให้อยากให้ผลเต็มร้อยมันก็ไม่เต็มร้อยแล้วเราก็า จ, จะเสียใจได้แต่ถ้าเราตั้งที่เหตุเราจะไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่าผลเป็นผลที่เกิดจากเหตุที่เราทาไว้เท่านั้นเองเดี๋ยวจะมีคาถามทางบนศาลานี้หรือเปล่าสมัยไปทางนี้หน่อย การมาสการขอโอกาสเจ้าค่ะถ้าสมมุติว่าโยมเตือนใครแล้วเขาไม่เชื่อโยมก็วางจิต ด, ด้วยการปล่อยวางด้วยการคิดว่าปล่อยไปตามกรรมคิดอย่าแบบนี้เนถูกต้องไหมเจ้าถูกต้องเรามีหน้าที่บอกเขาเท่านั้นเองเมื่อบอกก็แล้วเขาจะเอาไปทําได้หรือไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราไม่บอกไม่ถูกต้องถ้าเรามีหน้าที่ต้องบอกเช่นคนที่เขาเป็นนักศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาเราหรือลูกห ล, ลานเรา ที่เราต้องคอยสั่งสอนต้องคอยบอกเพราะเขายัางไม่ฉลาดยังไม่มีความรู้ก็ต้องอาศัยคนฉลาดคนที่มีความรู้มากกว่าคอยบอกค่อยสอนแต่บอกพอให้เขารู้ก็พอพอเขารู้แล้วเราก็จบหน้าที่อย่าไปจ้ำจี้จ้ำชัยเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เขาทําหรือไม่ทำํำถ้าเขาไม่รู้ก็ต้องบอกแต่ถ้าเขารู้แล้วเราก็ไม่ต้องบอกค่อาจารย์เจ้าคะ ทศหน้าเป็นวันเกิดของลูกแต่ลูกคิดถึงคุณแม่มากเลยค่ะก็เลยอยากจะทาบุญให้คุณแม่ไม่ทราบว่าพระอาจารย์ทาตรงไหนถึงจะได้บุญสูงสุดจ้ะคะคือบุญเราทำสูงไม่สูงอยู่ที่มากหรือน้อยเราทำมากมันก็ได้มากทำน้อยก็ได้มากส่วนผู้รับที่มันเป็นเรื่องของประโยชน์มันไม่เกี่ยวกับผู้ให้ S <S <S คือถ้าเราให้ผู้ที่เ้าทำประโยชน์มากเขาก็จะได้เอาไปทำประโยชน์ได้มากถ้าเอาไปให้กับคนที่ทำประโยชน์ได้น้อยเขาก็ทำประโยชน์ได้น้อยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรามันเกี่ยวกับผู้รับพระอาจารย์เจ้าคะถ้าเกิดอย่างนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าลูกจะเอาปัจจัยมาถวายพระอาจารย์ทาหนังสือธรรมะ ก็ได้ก bon ็ถ้าต้องการทำธรรมะก็เขียนหนังสือเขียนไว้ว่าขอถวายเป็นค่าหนังสือธรรมะเราก็จะได้มอบไว้ให้กับผู้ที่เขาคอยทำหนังสือพอถึงเวลาเขาก็จะเอาไปจ่ายค่าหนังสือได้คือแล้วแต่เราเพราะว่าสิ่งที่เราทำนี่มันสําหรับเราเองเนี่ยตัวเราที่ผู้ให้เนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณของการเสียสละว่าเสียสละมากเสียสละน้อย อยากจะได้บุญมากอยากจะได้ความสุขใจมากก็ต้องเสียมาก mm hmm. ส่วนประโยชน์ที่เราเอาไปใช้นี่มันก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะให้เขาใช้ไปทำนั้นไปทางด้านไหนถ้าไปทางหนังสือธรรมะ ก, ก็จะได้ให้ความรู้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้มากขึ้น mm hmm. แต่ถ้าเอาไปสร้างที่อยู่อาศัยก็จะทำให้มีที่อยู่อาศัยมากขึ้นประโยชน์เหล่านั้นมันไม่เกี่ยวกับบุญมันเป็นประโยชน์ mm hmm. สาหรับผู้รับ S <S แต่สำหรับผู้ให้นี้อยู่ที่ปริมาณของจํานวนเงินทองหรือเข้าของที่เราเสียสละไปแล้วถ้าสมมุติว่าลูกเอาถวายผ้าจารย์ส่วนตัวแต่ผ้าจารย์ทําอะไรลูกขอร่วมด้วยอย่างนี้หนึ่งแสนบาทได้ไหมเจ้าคะได้อย่างงั้นก็ได้แล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่ความพอใจแล้วทําเป็นแคชเช็คมาหรือว่าทําได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้ น, า น, นตามตามความสะดวกอทาทิตย์หน้าเจ้าคะอ่ กับเขาอากาศค่ะนักนัการพระอาจารย์กับเขาอกาศค่ ะ, ะ, ะ, คะถ้าเกิดคนในครอบครัวนะคะที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วเขามีความทุกข์จนถึงจะขั้นกิจะ่าตัวตายเราควรจะช่วยเขาอย่างไรหรือว่ามีธรรมะอย่างไรที่เป็นกลางสามารถเคุยให้เขาคลายทุกข์ได้ค่ะ ก, คก็ความทุกข์ความเครียดของเราก็เกิดจากความอยากของเราพอเราอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้ดังใจอ่ะ ก็จะทําทให้เราทุกข์เราเครียดขึ้นมาเสียใจไม่มีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปก็อยากจะคิดว่าการฆ่าตัวตายจะเป็นการดับความทุกข์ใจซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ใจเพราะว่าความทุกข์ใจก็ยังไม่ดับเวลาที่เราฆ่าร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้เราทุกข์ใจเหตุที่ทําให้เราทุกข์ใจคือความอยากดังนั้นต้องถามเขาว่าตอนนี้เขาอยากได้อะไร เขาเสียอะไรไปหรือเปล่าเขาต้องเสียอะไรไปเขาถึงอยากจะข้าตัวตายเสียเงินไปเสียคนรักไปเสียสิ่งที่รักไปเสียงานเสียการตกงานอะไรมันต้องเสียอะไรสักอย่างซึ่งเราก็ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนเราทุกคนก็มีการเสียอยู่เลยตลอดเวลาไม่ว่ามีไม่มีใครไม่เสียในที่สุดเวลาตายก็ต้องเสียไปหมดแต่ตอนนี้ยังไม่ตายเสียเรายังสามารถหาใหม่ได้ ถ้าเราอยากได้ใหม่เราก็คิดว่าเรามาเกิดใหม่ก็แล้วกันตอนที่เรามาเกิดใหม่ๆเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาไม่ใช่เหรอเราก็มาตั้งหลักใหม่เราก็เริ่มหาใหม่ทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวเราก็จะได้สิ่งที่เราอยากได้ต่อไปเราก็บอกเขาว่าถ้าเสียอะไรไปแล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันผ่านไปแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่เท่านั้นเอง เริ่มต้นชีวิตใหม่ทํางานใหม่หาของใหม่หาอะไรใหม่หาได้ก็หาหรือถ้าเบื่อไม่อยากจะเจอทุกแบบนี้เพราะหามาแล้วเดี๋ยวอาจจะเสียอีกก็ได้ก็อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรอยู่แบบตัวเปล่าๆนี่จะอยู่แบบตัวเปล่าๆก็ต้องหัดปฏิบัติทมหัดนั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าใจสงบมีความสุขแล้วก็จะอยู่แบบตัวเปล่าๆได้ไม่ต้องมีอะไรก็ได้ อันนี้ก็ถ้าเขาฟังเข้าใจเขาสามารถอาจจะเปลี่ยนใจเขาก็ได้ชี้ทางให้เขาเห็นว่ายังมีทางไปอยู่บางทีคนฆ่าตัวตายคิดว่าไม่มีทางไปแล้วทางที่จะไปก็คือฆ่าตัวตายเพราะคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วจะหายมันไม่หายร่างกายตายไปความอยากยังอยู่ในร่างยังอยู่ในใจมันยังทุกข์และยะทุกข์มากกว่าตอนที่ยังไม่ได้ฆ่าตัวตายเมือเราบรรลัยเราไปเกิดในอบาย แต่ถ้าเราละความอยากได้ทำใจให้เป็นปกติได้เราก็ไม่ต้องค่าตัวตายถ้าเราตายไปแบบใจที่เป็นปกติเราก็ไม่ต้องไปอบายเข้าใจนะมีอีกไหมเพราะจะหมดเวลาแล้ววันนี้คิดว่าพอแล้วนะหรือยังมีคำถามอ่ะสุดท้ายเลยคำถามจากบนเขานะคะถ้าเราฝึกสมาธิแล้วพบความสงบ ต้องมีความสงบประมาณไหนถึงจะเริ่มพิจารณาปัญญาครับโปรดเมตตาอ๋อก็พิจารณาได้หลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้วถ้าเราอยากจะพิจารณาถ้าอยากจะพิจารณาตายลักพิจารณา อ, อริยสัจสีก็พิจารณาได้แต่ไม่พิจารณาตอนที่อยู่ในสมาธิตอนที่ในอยู่ในสมาธิตอนที่จิตนิ่งเฉยเฉยนี่ไม่ไปไมไ่ให้ทําอะไรให้รักษาความนิ่งให้นานๆ เพราะยิ่งนานเท่าไหร่ก็จะมีพลังที่จะพิจารณาทางปัญญาได้มากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ของมือถือตอนที่เราชาร์จแบตเรามักจะปิดเครื่องไม่ใช้เครื่องเพื่อจะได้ชาร์จได้เต็มที่เพราะชาร์จเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาไปใช้ได้นานถ้าชาร์จเดียเด๋ยววก็เอาไปใช้ได้เดียวยวถ้านั่งสมาธิได้แป๊บเดียวออกมาพิจารณาปัญญาก็ได้เดี๋ยววเดี๋ยวก็จากปัญญาก็จะกลายเป็นกิเลสไป พรมันหมดกําลังที่จะสู้กับกิเลสที่จะดึงให้คิดไปในทางปัญญานั่นเองดังั้นพิจารณาได้แต่ต้องพิจารณาหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วจะได้นานไม่นานเราก็ต้องสังเกตดูว่าเราพิจารณาตายรักได้หรือเปล่ปาพิจารณาสุภาได้หรือเปล่ปาพิจารณาอริยรรสัจสี่หรือเปล่าหรือไปคิดถึงราบยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็สแสดงว่ามันเป็นกิเลสไปแล้วน ต้องสังเกตดูเวลาเราพิจารณาว่าอยู่กับเรื่องของธรรมะด้วยอยู่กับเรื่องของกิเลสด้วยถ้าเราไ ป, ไปทางกิเลสเราก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วกลับเข้าสมาธิใหม่แสดงว่าแบตหมดแบตหมดก็ต้องไปชาร์ตแบตใหม่ก่อนเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ